นักกวีและเจ้าหญิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนักกวีคนหนึ่งนามว่าโซเรนเขาเขียนเกี่ยวกับความรักผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างชอบบทกวีของเขาโซเรนอาศัยอยู่คนเดียวกับนกแก้ของเขาที่ชื่อว่าเพรียเพรีแต่หลังจากเขียนบทกวีมาหลายเรื่องและขายคอลเลกชันทั้งหมดของเขาเขาก็ารู้สึกหมดไฟ ที่ฉันเขียนไปทั้งหมดเพื่อใครกันนะบทกวีทั้งหมดเกี่ยวกับความรักอมตะการเต้นตึกตักของหัวใจรักแรกพบทั้งหมดนี่มันมีความหมายว่ายังไงกันนะฉันเขียนเกี่ยวกับความรักได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยสักครั้งโซเรนพวกนายน่ะคิดเยอะไปแล้วนายต้องชิวชิวชิวชิวงั้นเหรอชิชิชใช่ใช่เลยนี่แหละ ฉันต้องฉันต้องชิวชิวฉันต้องชิวชิวฮฮโอ้ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณมากเพรีเพริพรนายนี่เยี่ยมสุดๆดเลยฉันต้องชิวฉันต้องชิวอะอะไรของเขาเนี่ยเสียสติไปแล้วแน่เลยนายนายจะไปไหนเหรอไม่ไม่ใช่ฉันเราต้องหากละ่ะเราจะไปด้วยการพวกฉันถามว่าจะไปไหนอ โซแรนเอาเพริเพรีไว้ในกระเป๋าเสื้อโคตของเขาและหยิบกระเป๋าเอกสารออกจากบ้านไปขอต้อนรับสู่ไททานิกหนึ่งในเรือสำราญที่ดีที่สุดในโลกเราจะนำคุณไปสู่สถานที่ที่ยิ่งใหญ่และ ง, งดงามทวีปอาร์กติกค่ะทวีปอาร์กติก เริ่มตั้งแต่รัสเซียทางตะวันออกของสปิดเบอร์เกนไปจนถึงอาร์กติกนอร์เวย์ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบตลอดทั้งปีช่วงนี้เป็นฤดูร้อนสันส้นๆไม่กี่เดือนทำให้เราได้รับโอกาสที่จะสัมผัสกับทิทวทัศน์ที่หลากหลายสัตว์ป่าที่แปลกตาและผู้คนที่น่าสในใจในแถบอาร์กติกด้วยล่ะคะ่ะหัวสั้นๆของพรีย์พรี่โผล่ออกมาจากกระเป๋าเราเราเรากลังจะไปอาร์กติกงั้นเหรอใช่แล้ว พเพืพ่ออะไรนายบอกว่าฉันต้องชิวจำได้ไหม น, นายนายเอาจริงเหรอใช่แล้วโอ้ยเอาอีกแล้วและเขาก็กลับไปนอนอีกครั้ง5วันต่อมาเรือยังคงแล่นและแล่นต่อไปจนในวันที่6มันได้มาถึงอาร์กติกแล้ว เฮ้โซแรนนายจะไปไหนเหรอไม่มากับคนอื่นๆอย่างนั้นเหรอไม่เพื่อนฉันจะไปตามแผนของฉันนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะกลับมาในวันที่เรือแล่นกลับโอเคเพื่อนงั้นขอให้โชคดีนะอ้อ oh, อย่าเป็นหวัดซะละเข้าใจไหมเราทิ้งเขาไว้ที่นี่ตอนกลับบ้านได้ไหมนะมเงียบๆซี่เพริเพริโซแรนเดินบนผิวน้ําแข็งที่เย็นของอาร์กติก <ะ>พร้อมกับแผนที่บนมือของเขาหลังจากเดินไปได้ leverage, <ม><ม>สักระยะเขาก็ได้พบกับกระท่อมน้ำแข็งสีน้ำเงินตั้งอยู่ตรงหน้าโซเรนมองแผนที่แล้วยิ้มออกมามาเรียวเพริ่เพริ่ไปพบกับความรักในชีวิตของฉันกันโซเรนเข้าไปในกระท่อมน้าแข็งและพบกับหญิงชราที่กำลังนั่งผิงไฟอยู่เธอคือแม่มดที่มีชื่อว่าเลดี้ลากา คุณเป็นใครกันแล้วหากระท่อมน้ำแข็งของฉันเจอได้ยังไงป้าลาก้าครับนี่ผมเองหลานชายของป้าโซเรนโซเรนใช่ครับและนี่นกแก้วของผมเพริเพริยินดีที่ได้รู้จักนะทีนี้ก็ออกไปซะเิี่อวไม่นะครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อบอกชื่อของเขาผมกำลังมีปัญหาแล้วผมเป็นนักกวี และเขียนเกี่ยวกับความรักและและและเออผมยังไม่เคยมีความรักสักครั้งมันมันรู้สึกผิดไปหมดเลยแล้วจะให้ฉันทำอะไรแม่เคยเล่าเกี่ยวกับป้าให้ผมฟังป้าจับคู่ให้คู่รักมากกว่าร้อยคนแล้วแล้วป้ายัางช่วยให้คนเจอรักแท้ของพวกเขาด้วยโอ้ฉันไม่ทำแบบนั้นแล้วเหรอได้โปรดนะครับป้านะครับเออ ก็ได้ก็ได้แต่มันไม่ง่ายหรอกเนอะอยา่าดูถูกนคนนี้เฉียวล่ะคนผู้หญิงโอ้โทษทีเลดี้ลาก้าบอกโซแรนเกี่ยวกับเจ้าหญิงน้ำแข็งมิโทซาซึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่ยังไม่เคยพบรักแท้เลยนักรักหลายคนต่างมาพบเธอเพื่อเอาชนะหัวใจของเธอให้ได้พวกเขาเข้ามาและต้องจากไปทีละคนจนในที่สุดศรัทธาต่อรักแท้ของเธอได้จางหายไป จนในที่สุดหัวใจของเธอได้เปลี่ยนเป็นเย็นชามันเย็นเดนเยือกมากจนในที่สุดร่างกายของเธอก็ได้เปลี่ยนไปเป็นน้าแข็งราชาพยายามทำหลายวิถีทางเพื่อให้เธอกลับมาเป็นปกติแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยในที่สุดราชาต้องยอมทำตามสิ่งที่นักปราดแนะนำเขาได้ตต่สินใจย้ายร่างน้ำแข็งของลูกสาว มาไว้ยังอาร์กติกแห่งนี้ยังไงล่ะโอเคฉันชอบนิทานความรักในยุคน้ำแข็งที่ท่านเล่านะรู้สึกว่าชอบมากเลยนายล้อเลียนฉันงั้นเหรอเออเ อ, อย่าไปฟังเขาเลยครับป้าเล่าต่อสิครับไกลจากตรงนี้มีฝูงเพนกวิ้นอยู่ฝูงหนึ่งมันถูกเรียกว่าเชียรินพวกมันมีความสุขอยู่เสมอ และไม่เคยรู้เลยว่าน้ำตาคืออะไรท่านนายสามารถทำให้มันตัวใดตัวหนึ่งสามารถหลั่งน้ำตาแห่งความสุขและหยดลงบนก้อนกรวดได้นายก็ได้สาเร็จภา ร, รกิจไปแล้วหนึ่งส่วนแล้วส่วนที่เหลือล่ะครับด้วยก้อนกรวดในมือของนายนายต้องมอบข้อเสนอต่อหน้ารูปปั้นน้ำแข็งถ้าข้อเสนอของนายดีพอแล้วก็มันจะส่งไปถึงหัวใจของเจ้าหญิงทะลุผ่านชั้นของน้าแข็งได้ จากนั้นเจ้าก็จะพบกับรักแท้มีอะไรงั้นเหรอฉันคิดว่าเพื่อนบ้านของเราลาน้าโรดิเกตน่าจะดีกว่านะเธอชอบนายมากและนายก็ไม่ต้องฝ่าฟันกับก้อนกรวดและก็ลูกปั่นน้ำแข็งเพื่อเอาชนะใจเธอเลยเพริเพริอะไรเงียบๆนะเอ่อป้าลากาก่อนผมจะไป ผมขอความช่วยเหลือจากป้าอีกอย่างนะครับโซเรนและเพรีเพรีออกมาและมุ่งหน้าไปยังฝูงเชียรินเมื่อถึงที่นั่นพวกเขาถูกล้อมรอบไปด้วยพวกมันนายต้องการอะไรงั้นเหรอืมฉันเออเอาของขวัญมามอบให้นายของขวัญงั้นเหรอใช่นี่ไงเปิดดูเองเลย หัหน้าฝูงเพนกวินรับของขวัญและเพื่อเขาเปิดออกมันได้ออกมาเออใช่แล้วเอาเลยไวส์โอเวอร์เลดจากนั้นเครื่องร่อนได้โผล่ออกมาว้าวเครื่องร่อนงั้นเหรอใช่แล้วเออแล้วมันใช่ยังไงละ่ะแล้วทําไมนายไม่ลองดูด้วยตัวนายเองเล่าหัวหน้าเพนกวินสวมมันบนตัวของเขาวิ่งเลย วิลและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาทำไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองลอยขึ้นไปบนอากาศราวกับนกด้วยความสุขนั้นน้ำตาของเขาได้ไหลออกมาเพรี่์เพรียรีบไปหยิบก้อนกรวดน้ำแข็งและบินไปรับหยดน้ำตาตอาเอาเอาเอเยสได้แล้วหยดน้ำตาไหลลงบนก้อนกรวดน้ำแข็งและมันก็ส่องประกายสดใส หูงเพนกวินวิ่งตามหัวหน้าของเขาที่กำลังบินอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันโซแรนและเพรี่์เพรี่ได้เดินทางต่อไปที่รูปปั้นน้ำแข็งเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็ลุ่มหลงมากแม่เจ้าแห่งนกแก้วนี่มันน่าเหลือเชื่อมากเลยโซแลนยิ้มออกมาและเขาคกเข่าข้างหนึ่งลงเขาหลับตาและสูดหายใจเข้าลึกๆในช่วงเวลานี้อยากให้เวลาหยุดลงจังในช่วงเวลานี้ ขอให้ผมสูญเสียพลังทั้งหมดไปได้ไหมเพียงเพื่อได้เติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของคุณทิ้งอดีตทั้งหมดไว้เบื้องหลังและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันแด่คุณหัวใจของคุณจิตใจของคุณและจิตวิญญาณของคุณโอ้ช่วยผมด้วยเจ้าหญิงผมควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วฉีกแก้วเหล่านั้นออกมาแล้วออกมาหาผมนะผมจะคอยคุณอยู่ตรงนี้และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปโอ้ออกมาธนะเจ้าหญิงได้ปรดออกมาเถิดในช่วงเวลานี้ ผมหวังว่าเวลาจะหยุดลงในช่วงเวลานี้ผมหวังว่าจะสูนสิ้นพลังทั้งหมดไปสายลมที่อ่อนโยนพัดผ่านโซแรนและทันใดนั้นน้ำแข็งได้แตกออกเป็นสิง่งเสียงเจ้าหญิงมินเทซซาได้ออกมาแก้มของเธอเป็นสีกุหลาบดวงตาของเธอราวกับสายน้ำและเส้นผมที่พริ้วไหวไปตามอากาศโซแรนคงคานับด้วยความชื่นชม เพรี่เพรี่ตกตะลึงโอ้โหพระเจ้าเจ้าหญิงมินโทซาเดินมาหาโซแรนและเขาก็ลุกขึ้นทั้งสองจ้องตากันโซแรนมอบก้อนกรวดแด่เจ้าหญิงเธอยิ้มออกมาและรับมันไว้ช่วงเวลานั้นพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้พูดสิ่งใดนอกจากจ้องมองซึ่งกันและกันเอาล่ะภารกิจสำเร็จแล้วเรากลับบ้านได้หรื อ, อยังตอนนี้ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วยังไงต่องั้นเหรอเจ้าหญิงมินโทซ่าได้กลับไปที่พระราชวังของเธอแล้วราชาก็ไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนโซโรแรนได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัศวินแห่งราชวงศ์และไม่นานทั้งสองก็แต่งงานกันงานเลี้ยงฉลองถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันนั้นมีบางสิ่งบินเข้ามาในงานเลี้ยงด้วยนกแก้วอีกตัวนั่นเองเมื่อเห็นเธอเพรี่เพรยรี่ของเขาก็ลุ่มหลงในทันที เขาบินเข้าไปหาเธอโอ้สวัสดีพวกเขาเรียกเจ้าว่าอะไรงั้นเหรอเื่อของฉันก็คือมันฝรั่งทอดอา